เห็นดีๆที่เป็นกุศลนิบาศใช่ไหมเห็นดีได้ยินดีได้กลิ่นดีได้รสดีเอ๊ะมันทุกข์ได้ยังไงทําไมพระองค์จึงตัดว่าทุกข์ไม่ใช่สุขลองไปตึกดูแต่ถ้าเห็นไม่ดีได้ยินไม่ดีได้กลิ่นไม่ดีได้รสไม่ดีสัมผัสไม่ดีเป็นทุกข์เอออันนี้นะอกุศลนิบาศจิตห้าดวงนี้นะอันนี้ตึกประเหต์เลยใช่ไหมส่วนตัวอื่นๆซึ่งมันตัวยากหน่อยนะเช่นพวกสันติลนะนาเนี่ยนะที่มันเป็นทําหน้าที่ปฏิสนธิ หรือว่าปฏิสนธิกิจอะไรเนี่ยนะมันก็เอาเอาาเห็นยากหน่อยนะถ้าเกิดไปปฏิสนธิเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือว่าปฏิสนธิเป็นมนุษย์ที่บาบายอะไรเนี่ยนะอันนั้นเอาเอ า, ามันยากเล็กนิดนึงนะอผ่านไปก่อนไล่มาแล้วใช่ไหมกุศลจิตสิบสองดวง เ, เหตุกจิตสิบแปดวงตอนนี้ลองมาดูที่ว่ากุศลจิตมหากุศลจิตแปดเนี่ยนะทํากุศลแบบต่างๆนะทานศีลภาวนาก็อยู่ในแปดดวงนี่แหละ มีปัญญาประกอบด้วยก็มีนะเอ๊ะทำไมเป็นทุกข์พระองค์ทำไมตัดว่าเป็นทุกข์อ่าอันนี้น่ากินใช่ไหมแต่มันมันเป็นทุกข์ไม่ใช่สุขแล้วมันทุกข์ยังไงครับอันนี้ก็ฝากไว้เพราะว่าถ้าอธิบายแล้วคงจะเป็นเวลานานมากเลยผมขอผ่านไปรอบนึงนะฝากไว้ฝากการบ้านไว้นะผมแนะนํำนะแนะนํามาถึงว่าแม้แต่มหากุศรกุรจิตแปดวงมหาวิบาก ซึ่งก็เป็นฝ่ายกุศลใช่ไหมครับมหากริยาเป็นจิตของพระอรหันต์นะครับมหากริยาเป็นจิตของพระพุทธเจ้านะครับก็ยังเป็นทุกข์อ่ะนี่เป็นทุกข์กษัตริ์ครับเป็นทุกข์ษัตริ์พระพุทธภาพบอกว่าถ้าทุกข์ษัตริ์ควรกําหนดรู้ใช่ไหมครับการตรึงนี่แหละครับคือการกําหนดรู้นะครับกําหนดรู้ได้ปริญญาสามเนี่ยโอ้ลึกลงไปละเอียดเลยนะว่ายังไงบ้างใช่ไหมครับ แล้วพอมาถึงรูปราวจรมหาคตาจินนะรูปราวจรอรูปราวจรนี่นะอีกยี่สิบเจ็ดวงนี่นะครับนี่ก็เป็นมหากุศลโอ้โหมหาตากุศลกุศลสูงก็ยังเป็นทุกข์อยู่นะครับเพราะว่านี่ไม่ช่สุขอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดมากเลยเพราะฉะนั้นการตรึกหัวข้อในพุทธคุณนี่นะครับเท่ากับว่าเรามีหัวข้อในการศึกษาพระาศาสนาได้เยอะแ ย, ยะเลย ถ้าลองไปตึกดูนะครับส่วนว่าเอ๊ะทำไมเป็นอย่างที่ผมว่านี่นะทําไมถึงบอกว่าเป็นทุกข์ไม่ใช่สุขนี่นครับเว้นโลกุตระกิจนั่นนะ่ะไม่ใช่ทุกข์กษัตริย์โลกุตระกิจแปดวงนะนะั่นน่ะไม่ใช่นอกนั้นนะ่ะจิตแปดสิบเอ็ดวงนะนะั่นน่ะเป็นทุกข์หมดเลยนะอันนี้คนที่มีพื้นทางปริยัติไปแล้วพอจะไปตึกได้แต่สําหรับที่ท่านยังไม่มีก็ก็ค่อย ค, อยคอยศึกษาไปติดตามต่อไปนะอย่าเพิ่งท้อใจนะครับ เพราะว่าการตึกที่ง่ายกว่านั้นยังมีเช่นพระภุทธภาคคาว่าอารหันนั้นเป็นผู้ไกลจากกิเลสตัวดีนะครับเป็นผู้ที่หักซีกรรมแห่งสังสารวักรก็ดีหรือเป็นผู้ที่ควรแก่ปัจใจสีก็ดีหรือเป็นผู้ที่ไม่มีการกระทำบาปในที่รับหลังก็ดีนี่นะครับอย่างนี้พอตึกได้สำหรับผู้ที่มีความรู้ทั่ ว, วไปได้ฟังมาพอสมควรนะมีหลายระดับ เพราะว่าในอิติปิโสพระควาตั้งแต่อิติปิโสก็ทั้งจบนู่นนะพระควาตินู่ น, นมีเรื่องที่ตึกได้ตามสมควรแก่ปัญญาของท่านถ้าท่านตึกในเรื่องที่พระพุทธตรัสรู้อะไรถ้าตึกไม่ได้นะท่านก็ไปตึกในเรื่องจรณะก็ได้ครับที่พระพุทธภาคทรงมีศีล่ลสามปทาเนี่ยนะครับพระองค์สมบูรณ์ได้ศีลยังไงได้หลายเรื่องทีเดียวพระคมีศรัทธา ย, ยังไงพระองค์มีความสันโดษในเรื่องโภชนะยังไง พระองค์มีการตื่นตัวคือชาคริยธรรมอย่างไรบ้างที่ตื่นตัวในการเจริญกุศลอย่างไรบ้างเนี่ยพระองค์มีสติยังไงพระองค์มีสมาธิยังไงเนี่ยอู้มีเรื่องที่เราจะตึกได้เยอะเลยทั้งหมดนี้นี่นะครับที่ผมกล่าวมานี้เนี่ยอยู่ในนี้แล้วก็ที่ท่านอาจารย์ธรรมบัดบรรยายอยู่เนี่ยก็มีความมุ่งหมายเพื่อที่จะเราให้ให้ตึกให้เป็นถ้าท่านตึกเป็นหมายความว่าเมื่อท่านตึกไปแล้วท่านเกิดความเข้าใจท่านก็จะเห็นพระปัญญาคุณ พระบริสุทธิ์คุณพระมหากรุณาคุณของพระองค์วัตถุมุ่งหมายคืออยู่ตรงนี้ถ้าหากว่าท่านตึกเป็นท่านตึกได้ลึกซึ้งท่านตึกได้เหตุได้ผลนะท่านก็จะเห็นพระคุณของพระพุทธเจ้าทั้งสามพระคุณนี้ก็คงจะไม่ท้อแท้ใจ น, นะครับเราคงจะ ลองตึกดูนะคำสองคาหรือว่าหัวข้อบางหัวข้อโดยเฉพาะหัวข้อต้นๆ น, นี้สําหรับผู้ที่เรียนปริยัตมาแล้วลองไปตึกอย่างที่ผมว่ามานะเอ๊ะเป็นทุกข์ได้อย่างไงเนี่ตนะ่ดสินใจนะนะักกุลพิศนุนะเคยตึกไหมครับ น, น่าตึกนะถ้าตึกออกมาตั้งแต่ต้นแล้วนี่นะโอ้โหตั้งแต่อกุศลไล่ลงมาถึงนี่นะครับถึงอรูปราวจรกุศลนี่นะครับนี่ทั้งหมดนี่เป็นทุกข์หมดเลยทําไมพระ อ, องค์จึง ตัดว่าสิ่งนี้เป็นทุกข์ซึ่งผิดกับศาสนาอื่นไม่มีกล่าวไว้เลยในเรื่องนี้ที่พระ อ, องค์ตัดสรุปเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เพราะพระองค์พระองค์คนพบสัจจะนี้นะครับคือทุกข์กษัตริย์นี่แหละครับพระองค์บอกนั่นแหละเป็นทุกข์ทั้งที่ชาวโลกเห็นว่าเป็นสุขแต่จริงๆแล้วเป็นทุกข์เป็นทุกข์ยังไงคงจะต้องเป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวครับนะนี่มตนครับเป็นทุกข์จริงๆเลยนะเสียงก็ไม่ดังทุกข์แปลว่าอะไรนะทุกข์เนี่ย นึกออกนะมทุกนี่แปลว่าอะไรแปลว่าปวดใช่ไหมโอ้โห oh. คุณพิสนุเล่าว่าช่วงนี้สุขภาพไม่ดีเลยงูมันกัดคุณบุญชูก็บอกว่างูมันกัดที่จมูกแนละ้วที่แรกมันกัดหูกัดจมูกกัดตาอาหารก็ทานแม่ร่อยมันเชกัดลิ้นเข้าไปอีกทุกจริงๆเลยเนาะเออแล้วทุกนี้ความหมายแค่ไหนเนาะทุกเนาะทุกเนอาอเสียใจทุกป่วย อพื้นฐานถ้าเราเข้าใจเรื่องชาติทุกข์ดีแล้วก็ไม่ยากนักนะเข้าใจเออชาติชราพยาธิมรณะโสกปริเพว่อทุกขโทมนัตและอุปาญาตสิ่งเหล่านี้มันก็ทุกข์จริงๆนั่นแหละทุกข์ทั้งเจ็บทุกข์ทั้งปวดทุกข์ทั้งเมื่อยอันนี้ทุกข์จริงๆเลยกระกระทุกขะทุกข์คำว่างั้นทุกขะทุกข์บางอย่างมันเป็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงความสุขทั้งร้ายแหลเนี่ยถามว่าทุกข์ไหม ที่จริงมันขนาดเกิดขึ้นมันสุกแต่ว่าถ้าหมดไปเป็นไงก็บอกว่าสิ่งอันเป็นที่รักที่ชอบใจเนี่ยนะหรือโลภะหรือความรักความชอบใจความเพลิดเพลินนั้นอะ่ะมีความทุกข์เป็นผลเมื่อสิ่งเหล่านั้นเนี่ยแปรปรวนไปสิ่งใดก็ตามถ้าให้โลภะมากสิ่งนั้นจะทุกข์มาก วัตถุใดก็ตามนะอารัมมณะปัจจัยใดถ้าให้โลภะเราเกิดมากถ้าอารัมมณะปัจจัยนั้นแปรไปโทสะมูลจิตเราจะเกิดมากนี่เขาเรียกว่าทุกเพราะสิ่งเหล่านั้นไม่เที่ยงอนะ่ะแล้วก็ทุกอีกอย่างหนึ่งก็คือทุกเพราะตัวเขาเองเนี่ยทุกเนี่ยแปลว่าทุบวกขังอ่ะนะแปลว่ามันว่าง เหมือนอากาศเนี่ยบางว่างขังเนี่ยแปลว่าว่างทุ่ไม่ดีที่มันเป็นอย่างนี้เพราะมีอะไรบ้างที่เที่ยงทุกอย่างที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยยอมเคยได้ยินเคยเห็นไหมเกิดมาแล้วโอ้โหแน่นอนเหมือนเดิมหมดเลยเวนดวงอาทิตย์ซะนะดวงอาทิตย์เนี่ยดูจะเหมือนเดิมนะที่จริงเขาก็เปลี่ยนแปลงในตัวของเขาเองหรือภูเขาเนาะดอยเนี่ยน่าจะดูเหมือนเดิมนะที่จริงก็เปลี่ยนแปลงในตัวของเขาตลอด เพราะฉะนั้นคําว่าเป็นทุกข์ส่วนหนึ่งก็คือไม่เที่ยงที่ว่าไม่เที่ยงนั้นน่ะถ้าวัตถุภายนอกเนี่ยนะมันเป็นอารมมณ์ปัใจจัยให้เราเข้าไปเกี่ยวข้องยกตัวอย่างสีเนี่ยหลอดไฟเนี่ยถ้ามันดับเนี่ยถามว่าเขาก็ของเขาอยู่อย่างนั้นของเขาอะ่ะมันเกี่ยวอะไรกับเรามันทุกข์ยังไงกับเรามันเกี่ยวข้องเพราะสิ่งเหล่านี้มาเกี่ยวข้องกับชีวิตเรา สิ่งใดก็ตามถ้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตเราเราก็ต้องเอาจิตไปรับรู้ในสิ่งเหล่านั้นเมื่อเอาจิตไปรับรู้ในสิ่งเหล่านั้นเนี่ยนะถ้าสิ่งเหล่านั้นแปรไปจิตเราก็แปรไปด้วยก่อให้เกิดทุกขเวทนาด้วยและในขณะเดียวกันถ้าเราไปยึดไปติดไปเกี่ยวข้องด้วยอํานาจอูปาทานในสิ่งเหล่านั้นความยึดติดของเราเป็นเหตุแห่งวัฏทุกข์ของเราโดยที่มีสิ่งนั้นเป็น อารมณะปัจจัยให้สังสารทุกเรายาวขึ้นไปอีกัน้นสิ่งเหล่านั้นเนี่ยนะถ้าเราปริญญาสามในอารมณ์เหล่านั้นเป็นอย่างดีแล้วสิ่งเหล่านั้นก็ไม่ก่อทุกข์ให้แก่เราเขาก็เป็นอยู่อย่างนั้นของเขายกตัวอย่างว่าผ้าหันท่านก็ยังเห็นยังได้ยินยังรู้กลิ่นยังทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเลยแต่ท่านไม่มีอุปาทานในทุกๆอารมณ์เลยเมื่อท่านไม่มีอุปาทานท่านจึงทําที่สุดแห่งทุกข์ได้ ของพวกเรานี่มีอุปาทานทุกอารมณ์มั้งจะว่าเกือบเลยนะมีอุปาทานเกือบทุกอารมณ์เลยเป็น ท, ทั้งกามุปาทานที่ถูปาทานศีระพตูปาทานและอัตวาทุปาทานในทุกอารมณ์เป็นทั้งอาสวะในเกือบทุกๆุกอารมณ์เพราะฉะนั้นเราไม่ได้ทําปริญญาสามเราไม่มีการกําหนดรอบรู้ในสิ่งเหล่านั้นจริงๆ เมื่อเรากําหนดรอบรู้ในสิ่งเหล่านั้นจริงๆเราก็สามารถที่จะทําที่สุดแห่งวัตทุกข์ได้แต่อย่าลืมว่าการกําหนดรอบรู้ในธรรมะทั้งหลายนั้นน่ะถ้าไม่อาศัยคําสอนเราไม่รู้จะ ก, กําหนดไปให้เป็นอะไรจบยังไงก็ไม่รู้กําหนดแล้วดียังไงอะไรยังไงก็เข้าใจไม่เต็มที่ที่เป็นอย่างนั้นเนี่ยเพราะว่าเราฟังธรรมไม่บริบูรณ์ หลายท่านบางท่านบอกว่าโอ้ฟังมาเมินแล้วฟังมานานแล้วได้ยินมาเยอะแล้วคือได้ยินเนี่ยยังไม่นับว่าเป็นประมาณมากนักเอาเป็นประมาณที่ว่าทรงจําคําสอนนั้นๆไว้ได้ขนาดไหนแล้วเอาไปพอกพูนเจริญภาวนาให้ได้มากขนาดไหนถ้าเราไปพอกพูนไปปฏิบัติตามนั้นได้มากเท่านั้นอะ่ะเรียกว่าเป็นการเจริญการพอกพูนการปฏิบัติธรรม แต่ถ้าหากว่าเราทรงจำไม่ได้ถ้าทรงจำไม่ได้ไม่รู้จะปฏิบัติอย่างไรปฏิบัติอะไระตรงนี้แหละที่เราจะต้องเป็นภาระของเราเพราะพระพุทธเจ้าสอนแนวทางไว้ให้แล้วแนวทางเหล่านั้นพระองค์ทรงแนะนาไว้โดยสิ้นเชิงพระองค์ตรัสกับพระภิกษุทั้งหลายว่าไม่มีอะไรในกรรมมือของพระองค์ที่พระองค์ไม่เปิดเผยไม่มีเลยซึ่งถ้าคำสอนนั้นเป็นไปเพื่อที่สุดแห่งวัตทุกเลยนะ ไม่มีส่วนใดที่พระองค์ไม่สอนไว้สอนไว้ทุกอย่างเพียงกับปัญหาว่าเราจะช่วยเหลือตัวเองขนาดไหนตรงนี้แหละเป็นเรื่องของความเพียรความพยายามของเราทั้งหลายถ้าเราอยู่ในน้ำวนเนี่ยนะอยู่ในวังน้ำวนสายชนไหลเชี่ยวเนี่ยนะทั้งวนด้วยทั้งไหลด้วยถามว่าเราจะทำยังไงเราจะปล่อยตัวเฉยๆได้ไหม เราก็ต้องเพียรพยายามอย่างเต็มที่ตะกุยตะกายเพื่อที่จะหลุดจากวังน้ำอันนั้นถ้าเราคิดว่าตรงนั้นเป็นวังน้ำเนี่ยนะเราจะตะกุยตะกายเพื่อไหนะถ้ามีเชือกฟางหรือเส้นหนึ่งเนี่ยก็จะดึงเชือกอันนั้นแหละเพื่อที่จะถอนตัวออกขึ้นจากวังน้ำอันนั้นโลกนี้มันก็เหมือนกับวังน้ำบนนั่นแหละที่จริงอ่ะศาสตรทั้งหลายไม่คิดจะยกตัวให้ออกจากวังน้ำบนอันนั้นเพราะ พอเราคิดว่าเ อ, อิมสนุกดีนะบางทีมันลอยลำได้ลอยตัวปุ๊บก็หมุนติ้วเพล่นโลกนี้ก็จะลักษณะนั้นถ้าหากว่าคนไม่ได้คิดว่าวังน้ําบนเนี่ยมันดูดดูดจนถึงบาดาลเลยนะถึงบาดาลเนี่ยระดับไหนหนียนะ่ยเอเวจีนหน่อยนะครับมันดูดนะ่ะแรงดูดของน้ําอันเนี้ยถ้าพื้นฐานเราไม่เห็นว่าตะทุกข์หรือไม่เห็นทุกทโทษจริงๆเนี่ยนะมีคนหย่อนเชือกมาให้ดึงเราก็ไม่ดึงไม่ขึ้นยังไงก็ไม่ขึ้นไม่ไป อที่ไม่ไปเพราะอะไรอ๋มันสนุกดีอะยังจําได้เลยสมัยนั้นอ่ะเด็กๆอยู่ที่ตรงใกล้ๆบ้านน่ะนะมันมีน้ําเวลาฝนตกเนี่ยนะหน้าฝนมันจะมีน้ําบามาอู้หไปเล่นน้นํานี่ยมสนุกจริงๆเลยสมัยเด็กๆเกนี่ยได้เวลากินข้าวไม่ไปแล้วจะเล่นน้ําอย่างนี้ว่ะขนาดพ่อเนี่ยเอาไม้เรียวนี่ลงมาเลยนะเตรียมนะ่ะถ้าไม่ขึ้นโดนแนะ่จะจิงขึ้นงนะั้นกลัวไม่เรียว ง, งั้นอของเราก็ลักษณะนั้นนะ่ะบางทีเนี่ยนะ สิ่งที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องทุกอย่างมันเพลินไปหมดเลยอะเว้นไว้แต่ว่ามันวิบัติบางอย่างเนี่ยนะมันชักไม่เพลินอะเพราะสิ่งต่างๆมันแปรไปเอชักไม่สนุกแล้วทีแรกมันก็สนุกนะพอแก้ปัญหานั้นได้ไปเพลินอีกต่ออีกเพราะเราไม่เคยคิดจะออกจริงๆพอเราไม่คิดจะออกนะคำสอนยื่นมือเข้ามาเราก็อ่ะ ไ, อ ะ, ะไม่เกี่ยวพระไม่เกี่ยว เค ย, ยินนะเวลาคนเขากําลังร่วมกันทําอกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งยกตัวอย่างกินเหล้าเมายากําลังเพลินอยู่เนี่ยโอ้ภาพมาทําอะไรแถวนี้ไม่เกี่ยวเลยเขาบอกงั้นชีวิตของเราก็เหมือนกันนั่นแหละถ้าหากว่าเรากําลังเพลิดเพลินกับอารมณ์ต่างๆนะอะคําสอนนี่ไม่เกี่ยวอะไรกับชีวิตเราเลยเราจะดึงคําสอนมาเกี่ยวข้องกับชีวิตเราน้อยมากถ้าเราไม่ดึงคําสอนมาพิจารณาในทุกๆอารมณ์ที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องนะ เราก็ห่างเหินจากพระธรรมน า, ายัยก็คือมีผู้ยื่นมือเข้ามาแล้วเราก็เราไม่อยากไปวพางั้นเถอะเราไม่อยากพ้นจากกองทุกข์เมื่อไม่อยากพ้นจากกองทุกข์ตรงนี้แหละทําไมจึงเป็นลักษณะนั้นรู้ไหมเมื่อมีพระธรรมคําสอนทําไมเราจึงยกตนให้เข้าถึงคําสอนไม่ได้ยกตนให้พ้นจากกองทุกข์เหล่านี้ไม่ได้บางท่านก็รู้สึกทุกข์จริงๆไม่ได้ดเพลินอะไรเท่าไรรอก แต่บางท่านก็เพลินอยู่บางท่านก็ทุกข์จริงๆว่า ง, งั้นอยากจะออกแต่ทําไมออกไม่ได้เพราะอินทรีย์เราอ่อนเกินไปอินทรีย์อ่อนหรือหรือเขาเรียกว่าแรงเราน้อยอนะไม่มีแรงว่า ง, งั้นเธอรั้วน้ําเนี่ยนะปั่นจนหัวหมุนหมดแล้วแต่จะดึงตัวเองให้ขึ้นขึ้นบกเลยนะมันขึ้นไม่ได้เพราะเราไม่มีแรงเลยไม่มีพร ะ, ะกําลังไม่มีศรัทธาพร ะ, ระวิริยะพระไม่มีสติพร ะ, ระไม่มี สมาธิภละไม่มีปัญญาภละพอที่จะยกตนให้พ้นจากวัตถุทุกอันนั้นได้บางทีเราก็เอออินทรีย์เราก็อ่อนด้วยภละเราก็อ่อนดังั้นการตรัสรู้รมเราจึงไม่มีถามว่าเรามองเหตุย้อนไปไกๆทําไมพระพุทธเจ้าเนี่ยนะท่านอยู่ในวังเจ้าชายสิทธัตถะอยู่ในวังท่านมองเห็นเลอะเกินโอ้โหภัยคือความแก่ความเจ็บความตายเป็นต้นเนี่ยมันน่ากลัวเลอะเกินอย่างเงี้ย ทำไมท่านจึงสามารถกระชาตัวเองเนี่ยพ้นจากหลายๆเรื่องเนี่ยนะดึงตัวเองเนี่ยออกจากวังเพื่อไปเจริญสัมณธรรมแล้วเจริญสัมณธรรมก็ดึงตัวเองพ้นจากโลกยะเข้าถึงโลกุตระพ้นโลกได้ดึงออกจากทุกอย่างเลยนะชุดตัวเองออกได้หมดเลยทำไมมีอะไรเป็นตัวผลักดันขนาดนั้นที่จริงแล้วบารมีที่ท่านสะสมอบรมมานั่นแหละเป็นตัวดันท่านอยู่ไม่ได้เนี่ยนะ บุญที่อบรมมาทําให้เห็นแรงดึงดูดของโลกเลยที่จะต้องดันตัวเองออกถ้าไม่ไม่ออกเนี่ยจมแน่จมแน่ก็คือไปถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกแน่เพราท่านก็เลยอาศัยบุญเก่าที่ท่านอบรมมาเนี่ยช่วยผลช่วยดันท่านให้หลุดพ้นแม้กระทัง่งพระราชวังสามฤดูเนี่ยวังนั้นเนี่ท่านยังออกบวชได้เพราะท่านเนี่ยนะบุญเก่าของท่านเนี่ยดันท่าน ไม่มีอะไรที่จะฉุดอยู่สําหรับคนมีบุญแต่ถ้าสําหรับคนไม่มีบุญนะฟางเส้นเดียวก็ละไม่ได้เขาเล่าว่าอมีมีคนยากจนอยู่คนหนึ่งเขาจนมากเขามีเมล็ดข้าวมีข้าวพันุ์อยู่ถังหนึ่งมีภรรยากโกรกโสคนหนึ่งเรียกว่าพุงโรก้นตออยู่คนหนึ่งน่นะนักเกลียดมากแล้วมี ตียังพังไม่พังแหลอยู่อันหนึ่ง ม, มีกระท่อมกระท่อมกระโอกสอยู่หลังหนึ่งเนีจะพังไม่พังแหล่เดี๋ยวได้ซ่อมละเขาก็คิดไว้อออกบวชได้หรือเปล่าเพว่าออกบวชอ๋อมันออกไม่ได้หรอกเขาวงเงนนี่ถ้าเราออกบวชไปน ะ, อะเออเมล็ดพันธุ์ข้าวของเราใครจะทํำยังไงเนี่ยก็อบอกว่าไอตอนแรกเนี่ยมองเห็นว่ามันน้อยนิดแต่พอคิดจะจากเท่านั้นแล้วโอ้โหยมือเหมือนท้องพระคลังหลวงเลยเหมือนกัน โอ้มันเยอะเหลือเกินอะ่ะทรัพย์สินของเราทั้งนั้นเลยนะมันคิดเหมือนทองพระคลังหลวงเลยเอ๊หันไปถ้าเราออกบวชแล้วเตียงของเราอะ่ะโอ้โหเดี๋ยวคนอื่นเขาเอาไปใช้เนี่ยแย่เลยนะเนี่ยเขาบอกมองเห็นเตียงของตัวเองเนี่ยเหมือนกับบัลลังก์ทองคําเสียดายเขบอกเอ๊ะถ้าเราบวชไปเอ๊ภรรยาของเราพวกคนเลี้ยงช้างเลี้ยงมาก็มาจีดนึกเหมือนเทพธิดาเลยกันนี้โอไปไม่ได้เอ เออบ้านเราเนี่ถ้าหากว่าพวกหายาหาอะไรมารื้อเอาไปเนี่ยเครื่องไม้เครื่องเรือเดี๋ยวพวกมารื้อเอาไปหมดอู้มองเห็นไอ้กระถ่อมหลังนั้นเหมือนราชวังครับว่ากันเพรา ะ, ะอยากคิดว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นของเล็กน้อยเนี่ยทรัพย์สินขนาดนั้นแก้วแว่พอถามว่าทําไมจึงหลุดไม่ได้ทั้งทัที่ดูว่าแค่นั้นเองเพราะเขาเป็นมากระจาะครับว่ากันก็ <c oughs> <c oughs> บอกว่าเห็นในน้นําเปียกกรีบนิดเดียวก็ถอนตนไม่ได้ครับว่างัน แต่บางคนเนี่ยนะอย่างกษัตริย์หลายท่านที่ออกบวชพระเจ้ากับปินะเนี่ยนะไม่เหสีของท่านเนี่ยงามรู้ที่สุดวังทองเลยนะวังร่ํารวยมากมายมหาศาลไปไหนเนี่ยอํามาตติดตัวเนี่ยนะพันคนเลยเนี่ยพอบอกว่าพระพุทธเจ้าตัดสรุเท่านั้นแหละไม่ลาไม่บอกแนละ้วไม่กลับบ้านนักอย่างอ่ะก็บอกว่าเออยกให้เมียปกครองดูแลไปว่า ง, งั้นฉันไปบวชแล้วจะทํำไงก็ทํำไปเถอะไปะ ออกบวชโดยที่บอกว่าขี่อยู่บนหลังมา้าแหละหันมาเนี่ยหันไม่หาพระพุทธเจ้าเลยไม่กลับไปสั่งเสียแม้แต่คําเดียวถามอันนั่นเป็นเครื่องผูกใหญ่ไหมเขาบอกว่าถ้าพยาคตจสารจริงๆเนี่ยนะถ้ามีเรี่ยวแรงพลังเนี่ยโซ่ธรรมดาเนี่ยใส่ไม่อยู่ว่างั้นถึงจะเป็นโซ่ทองท่านก็กระชากหลุดอันนั้นสําหรับคนมีบุญเนี่ยนะถ้าคนมีบุญเนี่ยขนาดนั้นท่านก็กระชากหลุดหมดแต่ถ้าคนไม่มีบุญเนี่ยครับเหมือนกับม้ากระจอกเนี่ยน้ําเปียกกรีบๆหน่อยโอ้เป็นไหนไม่ได้แนละ้ว จมอยู่อย่างเดียวเขาวางเงินเขาบอกว่าคนที่ขาดความเพียรความพยายามความบากบั่นจเจริญงอกงามในาศนาสนธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคไม่ได้ท่านพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยพระองค์จึงสอนความเพียรความพยายามความบากบันบางทั้นเคยได้ยินไาว่าปฏิบัติธรรมทั้งน้ำตาว่างัน <c oughs> ก็ต้องสู้ขนาดนั้นเพราะว่าถ้าหากว่าหลุดพ้นจากวางน้าบนอันนี้ วนก็คือวัตตะใช่ไหถ้าหลุดพ้นจากวัตตะทั้งสามแล้วชีวิตก็พ้นจากวัตตะทุกขอย่างแน่นอนถึงที่กเกษมถึงที่ปลอดภัยแน่นอนทีนี้ว่าในบรรดาผู้ที่ข้ามพ้นจากวัตตะทุกทะเลทุกเหล่านี้ได้คนเหล่านั้นเขาสะสมบารมีมาอย่างพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้สะสมมาวันสองวันอะไรหรอกพระ่าระราชวังสามฤดูมารดาพระราหุนก็ ง, งามเนี่ยนะสนมกำนันอีกั้งเยอะ ทำไมท่านสละออกได้หมดเพราะท่านบุญมากอินทรียบารมีที่ท่านสะสมมาเนี่ยเสียสงไข่แสนกับพระ อ, องค์บอกว่าความพอใจในเมถุนธรรมไม่ได้มีแก่เราเพราะได้เห็นนางตันหานางราคาและนางอรดีก็คือในสามนางนี้ก็คือเทพชั้นปรานิมมิตวสวัสดีที่เป็นลูกสาวของพยามานเนี่ยนะมาลอกหลอพระ อ, องค์เนี่ยพระ อ, องค์บอกว่าความยินดีในเมถุนธรรมไม่ได้มีแม้แต่นิดเดียวต่อผู้หญิงลูกสาวพยามานเลยนะ เพราะฉะนั้นใจของท่านเนี่ยนะแม้แต่เทพภทธิดาก็มาฉุดไม่อยู่เพราะอินทรีย์ของท่านเนี่ยมากขนาดนั้นท่านหลุดหมดจากบว่วงทั้งที่เป็นของมนุษย์หลุดพ้นทั้งหมด ท, ทั้งที่เป็นบ่วงอันเป็นของทิพย์เพราะฉะนั้นพรหมจันทร์ของพระองค์จึงไม่ได้ตั้งความปรารถนาเพื่อความเป็นทิพย์อะไรแม้แต่นิดเดียวท่านหลุดพ้นจากกองทุกข์เหล่านั้นทั้งหมดเพราะท่านวิจัยทุกอารมณ์อย่าง ละเอียดละออจนรู้เบื้องหน้าเบื้องหลังลึกตื้นหนาบางของสิ่งนั้นนั้นเนี่ยนะมองชีวิตอย่างตลอดสายอย่างอย่างสมมติของเราเนี่ยนะมองเห็นเฉยเฉเนี่ยถ้าเป็นผู้ที่อบรมศึกษาตามคำสอนในอารมณ์เหล่านี้นะไม่มีอะไรที่ท่านไม่วิจัยทั้งสีทั้งหมดเลยนะสีตั้งแต่หัวจดเท้าเนี่ยนะ วิจัยหมดแล้แสงสว่างที่เข้ามาเกี่ยวข้องกัวิจัยอารมณ์แต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยท่านเพ่งหมดเกลี้ยงเลยมันเกิดจากเหตุอะไรเกิดจากปัจจัยอะไรทําไมจึงเป็นอย่างนี้นะสัตว์เข้าไปยึดติดไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้อย่างไรบ้างท่านวิจัยหมดเกลี้ยงแล้วไม่มีอารมณ์ใดที่ท่านไม่พิจารณาเพราะฉะนั้นท่านรู้เบื้องลึกตื้นหนาบางของธรรมชาติเหล่านี้อย่างตลอดสายเมื่อเข้าใจหรือมองเห็นอย่างตลอดสาย ท่านจึงไม่ได้ยึดติดไม่ได้ติดข้องในทุกๆอารมณ์ที่เข้าไปเกี่ยวข้องและไม่ยึดติดแม้กระทั่งความรู้อันนั้นด้วยเพราะท่านก็มองเห็นว่าไอ้ความรู้ความนึกคิดการวิจัยธรรมเหล่านี้เนี่ยนะก็เป็นธรรมชาติที่เกิดด้วยปัจจัยปัญญาที่พิจารณาธรรมะความจริงทั้งหมดเหล่านั้นก็เกิดด้วยปัจจัยท่านก็ถอนแม้กระทั่งจากความคิดอันนั้นด้วยเนี่ยนะหลุดพ้นเพราะรู้โดยชอบว่า ง, งั้นเพราะท่านเหล่านั้นเป็นผู้อบรม อินทรีย์หรืออบรมบารมีมามากอ่บารมีที่เราพูดถึงไปแล้วนั้นก็จนถึงข้อไหนแล้วนะจนถึงบารมีข้อที่แปดที่เก้าแล้วเนาะครั้งที่แล้วก็พูดถึงอธิฐานบารมีว่าคนที่มีใจที่ใฝ่ใฝ่เพื่อบรรลุความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะจิตใจที่ตั้งมั่นเพื่อบรรลุธรรมเนี่ยนะตั้งมั่นขนาดไหน ตั้งมั่นเหมือนกับขุนเขาว่างั้นเถอะโดยเฉพาะถ้าหากว่าเราไล่บารมีทั้งสิบได้นะนับตั้งแต่ทานศีลเนคขมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานคืออธิษฐานนี่อธิษฐานจิตในการบำเพ็ญบารมีเนี่ยนะมั่นคงเหมือนขุนเขาว่างั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงขุนเขาหรือแผ่นดินเนี่ยมั่นคงไม่วันไหวว่างั้น ใจของท่านเนี่ยมั่นคงต่อสัมมาสัมโพธิญาณในลักษณะนั้นนี่ก็คืออธิฐานบา ร, รมีของท่านที่ตั้งมั่นในการบำเพ็ญกุศลธรรมอ่าแล้วต่อไปนะบา ร, รมีข้อที่เก้าว่าลำดับนั้นเมื่อเขาใคร่ควรวญยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยคิดว่าธรรมะที่กระทำให้เป็นพระพุทธเจ้าไม่พึงมีเพียงเท่านี้เลยเขาได้เห็นเมตตาบา ร, รมีข้อที่เก้าได้มีความคิดอย่างนี้ว่าดูก่อนสุมเมตบัณฑิต จำเดิมแต่นี้ไปท่านพึงบำเพ็ญเมตตาบารมีให้เต็มเปี่ยมในสิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลและไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลพึงมีจิตเป็นอย่างเดียวกันคือหมายความว่าเข้าไปเกี่ยวข้องกับสัตว์ทั้งหมดสัตว์บางตนเนี่ยนะก็เป็นผู้ที่ทําประโยชน์เกื้อกูลแก่เราใช่ไหมบางคนเนี่ยก็ทําลายประโยชน์ของเราเพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าไปเกี่ยวข้องกับคนที่ให้ประโยชน์และคนที่ทําลายประโยชน์ ก็ทําจิตให้เป็นอย่างเดียวกันในสัตว์ทั้งหลายทั้งหมดเหล่านั้นท่านก็อุปมาเหมือนอย่างว่าธรรมดาว่าน้ําย่อมกระทําให้เย็นแผ่ซ่านไปเช่นเดียวกันทั้งแก่คนชั่วทั้งแก่คนดีฉันใดแม้ท่านเมื่อเป็นผู้มีน้ําใจเป็นอันเดียวกันด้วยเมตตาจิตในสัตว์ทั้งปวงจักเป็นพระพุทธเจ้าได้ ก็คือนึกถึงว่าการอยู่ในโลกนี้การเกี่ยวข้องในโลกนี้เนี่ยนะคนที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยบางคนเขาก็ให้ประโยชน์แกเราอย่างมากมายมหาศาลบางคนก็ตามทําลายล้างประโยชน์แคร่เราเนี่ยเลือกเกินเหมือนกันที่จะทําอะไรพวกก็ถ้าเป็นดอกไม้เนี่ยนะกำลังจะผลิ ด, ดอกออกใบหน่อยพวกก็มาเด็ดไปแล้จะทําประโยชน์ทําคุณงามความดีอะไรแม้แต่นิดเดียวพวกก็ตามล้างตามผลานเลือกเกินเหมือนกัน ในบรรดาคนทั้งสองคนคนที่ให้ประโยชน์กับคนที่ทำลายประโยชน์ของเราเนี่ยนะก็ทำจิตให้เป็นหนึ่งเดียว<ช>ทำจิตให้เหมือนเดิมเหมือนกับใจของเราเ e. นี่ยเป็นน้าน้ำเนี่ยนะถ้าเป็นน้ําฝักบัวซึ่งมีความเย็นเนี่ยนะโจรไปอาบก็ได้ความเย็นเท่ากันคนดีไปอาบก็ได้รับความเย็นเท่ากันเพราะฉะนั้นท่านจงอธิษฐานจิตของท่านสมาทานให้จิตของท่านเนี่ยเป็นเหมือนกับนา้า สามารถให้ความเย็นแก่สรรพสัตว์ได้ทั้งหมดทั้งไม่ว่าจากคนดีคนชั่วคนเลวคนสูงคนต่ำคนวันนะดีวันนาะสูงอย่างไรก็ตามให้มีใจเนี่ยเป็นเมตตาในสัตว์ทั้งหมดอย่างนั้นนั่นแหละถ้าใจไม่ขนาดนั้นเป็นฌานไม่ได้นะเพราะว่าเมตตาที่เป็นฌานจริงๆไม่มีอคติใจที่เป็นฌานจริงๆเนี่ยนะหนึ่งตัวเราเองสองศัตรูสามคนที่เราชอบสี่คนที่เป็นกลางๆนะสี่คนเนี่ยรักเท่ากัน ไม่มีว่ารู้สึกว่ารักใครมากกว่ากันให้ความเย็นสม่ำเสมอกันแล้วแผ่ความเย็นอันเนี้ยกระจายในโลกทั้งมวลเหมือนกันทั้งเบื้องบนเบนืบ้องตามเบื้องขว้างไม่คับแคบไม่มีเวน้นไม่มีศัตรูเนี่ยนะไม่รู้สึกว่ามีที่รักมักที่ชังอะไรซากอย่างเดียวเนี่ยนะสม่ำเสมอกันหมดมีตนเป็นเครื่องเปรียบเทียบในสัตว์ทุกหมู่ในสัตว์ทุกเหล่าฉะนนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเมตตาอันนี้เนี่ยที่จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยการ อธิษฐานนะอธิษฐานสมาทานให้จิตอันนั้นมันเกิดขึ้นก็ยูยูให้จิตอย่างนี้เกิดขึ้นยังไม่เกิดง่ายๆหรอกก็ต้องเห็นประโยชน์ของจิตอันนี้ก่อนนะเห็นประโยชน์ของเมตตาจิตแล้วสมาทานประพฤติเมตตาจิ ต, ต, ตนี่ให้เกิดขึ้นในใจของเราเหมือนกับศีลแรกเนี Crit ่ยศีลห้าเรามีที่ไหนเนาะที่แรกไม่มีศีลเลยนะเอาทําไมตอนหลังจึงมีศีลเพราะไรฟังเรื่องศีลเพราะสมาทานศีลศีลก็เลยได้เกิดขึ้นใน ใ, นใจของเรา เมตตาทีแรกไม่ได้เกิดหรอกไม่มีใครมีเมตตามาก่อนหรอกแต่สมาทานอธิษฐานตั้งใจมั่นปรารบบ่อยๆเมตตาก็จะเกิดมากขึ้นแล้วท่านตั้งเป้าไว้เลยว่าเมตตาของท่านต้องระดับไหนมองเลยว่าที่สุดของการเจริญเมตตาของท่านต้องเหมือนน้ําให้ความเย็นเนี่ยนะสมมติถ้าฝนตกฝนตกเนี่ยอากาศเมฆหมอกปกคลุมขึ้นมาแล้วฝนตกลงมาเนี่ยนะให้ความเย็นสม่ําเสมอหมด ว่าเออตกตรงนี้ให้น้ําน้อยหน่อยตรงนี้ให้น้ํามากฝนไม่มีรู้สึกลำเอียงให้ความเย็นสม่ําเสมอเหมือนน้ําฝนที่ตกลงมาใจของผู้ที่สมาทานในการบําเพ็ญบารมีก็ตั้งเป้าอย่างนั้นก่อนทีแรกก็ถามว่าทําได้ไหมทําไม่ได้หรอกแต่ว่าอาศัยการสมาทานอาศัยการตั้งใจแล้วน้อมใจเพื่อความเป็นอย่างนั้นน้อมจิตว่าต้องเป็นอย่างนั้นนะถ้าเป็นอย่างนั้นไม่ได้ไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้านะ ก็เลยสมาทานขึ้นพอสมาทานก็ได้เป็นอย่างที่ท่านคิดสมความปรารถนาเลยเพราะฉะนั้นบอกว่าที่สุดนะชีวิตของพระพุทธเจ้าตอนจบนะถ้าบำเพ็ญบารมีเต็มเปี่ยมนะเอาอุจจาระไปรูปไร้ข้างหนึ่งเลยครึ่งตัวเลยเอาของหอมไปรูปครึ่งตัวนะใจปกติเหมือนเดิมไม่ได้รู้สึกแตกต่างกันเลยที่สุดแห่งการฝึกอบรมจิตถึงที่สุดและจกขนาดนั้นที่พระสารีบุตรกล่าวไว้ใช่ไหมว่า ใจของท่านเหมือนกับดินเหมือนกับน้ำเหมือนกับลมเหมือนกับไฟคนทั้งหลายจะถมของสะอาดของไม่สะอาดถ่ายมูดถ่ายโคตรอุจจระ